<c oughs> วันนี้เป็นวันที่ได้มารวมกันเพื่อเป็นการได้ยินได้ฟังธรรมะซึ่งเป็นสัจธรรม หรือเป็นาศาสนธรรมคือคำสอนคำสอนของพระบรมศาสดาสมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่ า, าศาสนธรรมสัจธรรมเป็นธรรมะของจริงสัจ นี่ว่าของจริงธรรมของจริงซึ่งไม่มีสิ่งที่จะบิดเบียนจากความเป็นจริง น, นั้นเรียกว่าสัจธรรมศาสนธรรมคำสอน คำสอนคำบอกคำกล่าวของพระบรมศาสดาสมมาสมุทธเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาพระองค์เป็นผู้ตัสรู้ชอบโดยพระองค์เองเป็นสยัมผู้ไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์ องค์เป็นครูเป็นอาจารย์ของพระองค์เองได้ค้นคว้าให้ค้นคว้าเข้าใจในสัจธรรมตามเป็นจริงแล้วก็นำมาสอนมาชี้แนะมากล่าวให้ ผู้ที่มีจักสุดีคือมีใจดีมีโสตะคือมีหูดีมี u, มโน ừ, มนะคือใจดีมีใจดีมีหูดี มีตาดีได้เห็นได้ยินได้รู้ก็จะเข้าใจเข้าใจตามหรือว่ารู้ตามเห็นตามในาศาสนธรรมคำสอนก็จะเป็นประโยชน์เพื่อกูลเป็นทางดำเนินพระพุทธปฏิบัติ ตามเพื่อยังความเร่าร้อนยังความทุกข์ให้สิ้นไปหมดไปหรือทําความเห็นผิดให้เป็นความเห็นถูกเห็นชอบเมื่อมีความเห็นชอบรู้ชอบตามความเป็นจริงก็จะกําจัดเสียซึ่งความ เห็นผิดความหลงผิดให้สิ้นสุดไปเป็นปัญญาสมา ธ, ธิความเห็นชอบตามสัจธรรมความเป็นจริงแล้วก็จะทำความยึดผิดเห็นผิดให้สิ้นสุดไป เดี๋ยวเป็นความเห็นชอบแม่กับทำความวุ่นวายสายแสทั้งหลายให้สงบไปด้วยความรู้จริงเห็นจริงแห่งสัจธรรมก็จะเป็นผู้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะ ความปุงฟุ่งไปของจิตเนี่เมื่อจิตมีความสงบระงับสังขารความปุงแต่งความฟุ่งความกิตแต่สังขารก็จะมีความสุขอันทีงว่าความสงบระงับแห่งสังขารย่อมนำมาซึ่งความสุขในวันนี้เป็นวัน ฟังธรรมะอบรมธรรมะประจำเดือนสิบเดือนธันวาคมพุทธศักราช 2,557 เป็นเดือนสุดท้ายของปีที่ได้จัดให้มีการ อบรมธรรมะปฏิบัติธรรมะบำเพ็ญบุญกุศลณนะสาราขององค์หลวงตามหาบวญญาณสัมปนโนที่บริษัทวริน่าจังหวัดมหาสารคามแห่งนี้ ต่อไปก็จะเป็นขึ้นปีใหม่ในเดือนมกราคมในวันนี้เป็นวันแห่งเดือนสุดท้ายพวกเราท่านทั้งหลายจึงได้มาฟังธรรมะมาอบรมธรรมะ คือธรรมะเป็นอาหารใจหรือว่าธรรมะเป็นเครื่องอบรมใจเป็นอาหารของใจธรรมะคือสภาพที่ทรงไว้ซึ่งความเป็นจริง <c oughs> โดยในอริยสัจธรรมทั้งสี่ แต่แก่ทุกข์สมุทยัยนิโรธมรรคนี่เรียกว่าเป็นธรรมะเป็นธรรมะของจริงทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจ เมื่อเกิดขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่ทนได้ยากเมื่อความทุกข์ทางกายเกิดขึ้นทุกข์ทางใจเกิดขึ้นก็เป็นความกระเพื่อมเป็นความไม่สบายนี่ว่าทุกข์ คือสิ่งที่ทนได้ยากเรียกว่าทุกข์สัตว์ทุกขสัจจะความจริงสัมผัสสัมพันธ์ทุกท่านทุกคนมีกันทุกท่านทุกคนความไม่สบายทางกายเกิดขึ้นเพราะความแปรปวน ของดินฟ้าอากาศเพราะความแปรปวนของธาตุภายในร่างกายของเราให้เกิดความไม่สบายทางกายและก็มีใจเป็นผู้สัมผัสรับรูบร้รวมได้ถึงว่าสุดท้ายก็ไม่สบายอยู่ที่ใจนั่นแหละ ใจเป็นผู้รู้เป็นผู้รับรู้นนี้คือความจริงของทุก์ตังโคปนิดังดุขัางอริยสัจจังชาติปิทุกขาความเกิดขึ้นมาอย่างเดียวเท่านั้นแหละมี ชาติความเกิดมีกายมีใจสัมะยุติกันมีอายตนะมีผัสสนี่เขาเป็นเครื่องรับรู้ความสุขความทุกข์นี่จริงว่าทุกขเพราะความเกิดอย่างเดียว ถ้ามันมีการเกิดขึ้นมาเป็นรูปร่างกาย ม, มีสัมปยุทธธาตุและก็ไม่สัมปยุทธด้วยนามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่มีอะไรจะรับรูปความสุขความทุกข์ที่ว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ นีพ่พอมีการเกิดขึ้นมาสัมพยุติกันระหว่างรูปกับนามคือกายใจยก็จึงมารับรู้เรื่องความทุกข์นี่จึงว่าชาติติดทุกขา์าเกิดเมื่อเกิดมาแล้วก็มีรูปร่างกายเม อวัยวะมีอายตนะมีตามีหูมีจมูกเรียนกายแล้วก็มีใจเข้ามาอาศัยอยู่ในรูปร่างกายนี่แหละก็จึงมีความจดความจำหรือสัญญาสังขารความนึกคิดปรุงแต่งมีความนึกความคิดหรือจิตตัง นี่สิ่งเหล่านี้มันเกิดอาการขึ้นมาซสำประยุทธ์กันชาติความเกิดชาติปิทุกขาชราปิทุกขังมรณะปิทุกขังความเกิดความแก่ความเก็บไข่ได้ป่วยความแปรปวนไป สุดท้ายก็ความไม่เที่ยงแปรปวนแรีว่าความตายไปความตายของกำลังวังชาความตายของความนความคิดความจดความจำอะไรเรียกว่า ม, มันตายไปมันอ่อนแรงมันหมดแรงจนที่สุดมันก็ดับไป นี่ก็มาเป็นทุกข์เพราะความเกิดความดับเรานี่แหละถึงว่ามรณะปีดุขังโศกความโศกความรำไรความรับแขนใจความไม่สบายใจ <c oughs> นี่เกิดขึ้นอยู่ในจิตในใจของเรานี่แหละมีใจเป็นผู้รู้เป็นผู้รับรู้ นี่เป็นทุกข์ขั์ทุกข์ขั์ความกิงคือทุกข์ทุกขะสมุทยัยทุกขะสมุทัยโยอันนั้นเป็นเหตุเหตุที่จะให้มีทุกข์เรานี่ก็พราะมีความอยากอันทว่า มีความอยากกามาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากได้ราบยศเสนอเสริญสุขอยากมีความสุขความสบายเราเนี้ยก็ความอยากเราเนี้ยแหละมีความอยาก มันก็เป็นความจดจ่อเป็นความปรารถนาเป็นพบเป็นที่เกาะที่ยึดความอยากในความมีความเป็นความไม่ให้มีไม่ให้เป็นนี่อันว่าทุก ที่มีในทุกขสัตว์ก็ไปจากทุกขสมุทัยเหตุให้ทุกเกิดตอเมื่อมารู้เท่าทันความอยากนี่หรือว่ามาดับความอยากเรียกว่าดับตัณหาดับความอยากเนี่ยจะดับได้อย่างไรดับได้ด้วยความมี สติกำหนดรูเราลึกรูให้มาเราลึกรูเรื่องความอยากมันเกิดขึ้นมันอยากอะไรอาการแห่งความอยากเกิดขึ้นในจิตเมื่อเกิดความอยากแล้วก็กวนก็วายก็สับก็ใสยก็ดิ้นลนดิ้นอยู่ในจิตนี่แหะ จิต ใ, ในใจเกิดเป็นความฟุ่งซ่านวุ่นวายเพราะฉะนั้นหมีสติมากำหนดรู้กำนดรู้มาใครเป็นผู้อยากใครเป็นผู้รู้ว่าอยากใครเป็นผู้กระซับกระใสใครเป็นผู้รู้ว่ากระซับกระายความระลึกรู้เป็นคู่ของใจเป็นคู่ของ ความรู้คือใจให้รู้เรื่องที่เกิดขึ้นเย่างว่าน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาที่มหาผู้รู้เนี่ยรู้อาการของความอยากเกิดขึ้นกําหนดรู้เข้ามาหาผู้รู้คือใจแล้วก็ใกาช่ปัญญา รอบรู้สอนใจสิ่งที่อยากได้อยากมีอยากเป็นมันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปไหมมัน ไ, มได้มาแล้วมันเป็นยังไงและอยากแล้วมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะได้จะเป็นเหมือนความอยากได้อยากมี นี่มารู้เข้ามาที่ใจที่ผู้รู้รู้เนี่ยมีสติกำหนดรู้มีปัญญารอบรู้ผู้รู้นี่ไม่อยากเป็นแต่เพียงรู้เฉยๆนี่จึงว่ากำหนดเข้าให้ถึงใจให้ถึงผู้รู้ความอยากที่เกิดขึ้น แต่ความอยากนั้นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคู่ชั่วขณาหนึ่งเกิดแล้วมันก็ดับไปนี่เดี๋ยวมาใช้ปัญญาทวนกระแสของความอยากมารู้เท่าทันความอยากนี่ความอยากกินจะสงบระงับไปนี่มาดับความอยากด้วยการรู้เท่าทันความอยาก แล้วก็เห็นโทษของความอยากที่เกิดขึ้นเมื่อมันมีความอยากมันก็เป็นทุกข์วุ่นวายหรือให้รู้ให้รู้เท่าทัน <c oughs> นี่ยังว่าถ้าไหลไปตามความอยากเท่าปรุงแต่งคิดปรุงฟุ่งไป ตามความอยากทายเดียวมันจะไม่มีขอบเขตไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่มีฝัง่งไม่มีฝาเพราะฉะนั้นจึงต้องมีธรรมะคือเจริญสติและปัญญาเนี่ยควบคู่กันไปปัญญาสอนใจ นีม่มารู่เหตุคือความอยากแล้วก็ดับที่เหตุเมื่อลู่เหตุดับก็ดับที่เหตุเนี่ยลู่แล้วก็ละที่ความอยากเมืม่อละเหตุผลก่อนสงบไปทุกก็ไม่มีความทุกข์ก็ดับไป ทุกทางกายก็ตามทุกทางใจก็ตามก็มีใจเป็นผู้รูปเป็นผู้รับรูปเมื่อมารู้ที่ใจมันทุกที่ใจดับไปสงบไปแล้วมันก็ไม่มีทุกทางกายมันก็ไม่มีถึงแม้จะมีเป็นเวทนาทางกายสัมผัสกันมันไม่ ที่ใจมันไม่มีเวทนาอันรู้เท่าทันปล่อยวางที่ใจแล้วจริงว่าไม่มีทุกข์ที่ใจเมื่อใจไม่ทุกข์เราก็ไม่มีอะไรทุกข์นี่เรีว่าเกิดเหตุเกิดที่ไหนรู้เท่าทันที่นั่นล ะ, ละที่นั่นละด้วยกําลังแห่งมรร คือสติสมาธิและปัญญาณนี่คือความจริงของสัจธรรมในส่วนที่ให้เป็นทุกข์และดับทุกข์ส่วนที่เป็นมรรคสัตว์ น, นิโรธสัตว์ก็เป็นความจริงคือสิ่งสิ่งที่มาดับทุกข์ก็จะแก่สติ สมาธิปัญญาเน่ยแหละที่มารู้เท่าทันความอยากความอยากที่เกิดขึ้นในจิตพออาศัยสติความจงใจความตั้งใจความระลึกรู้ที่ใจที่ผู้รู้เนี่ยมันแน่วแน่ เป็นสมาธิความมั่นแนวแน่รู้แน่วแน่มั่นคงปัญญาวิจัยวิจารนี่ก็ธรรมะวิจัยะวิจัยวิจารสอนใจรู้ใจนี่ก็รวมเข้ามาที่เดียวกันสัจธรรมทั้งสี่รวมเข้ามาที่ใจหลงอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจ ปล่อยวางอยู่ที่ใจเมื่อรู้ความจริงปล่อยวางที่ใจทาไมรู้ความจริงยงหลงยึดหลงปุงหลงแต่งอยู่ที่ใจนี่รวมอยู่ตรงนี้จึงต้องมาเจริญธรรมะมาฟังธรรมะมาปฏิบัติธรรมะ ให้เกิดขึ้นที่ใจนี่จึงรวมเข้าม า, าต้นตอต้นตอของธรรมหรือง่าลากเง่าข้ามูลของความสุขและความทุกข์เหตุภายนอกที่เกี่ยวกันที่เป็นกิ่งเป็นแขนงเหมือนกันกับต้นไม้ มีลำต้นมีกิ่งมีก้านมีใบรวมลงมาที่โคนต้นที่รากของต้นไม้นั่นะจุดใหญ่อยู่ตรงนั่นเมื่อรักษารากให้ดีโคนต้นให้ดีแล้วลำต้นก็จะเจริญขึ้นถ้าต้องการที่จะทำลาย ต้นใบก็ทำลายตรงที่รากที่โคนต้นที่รากของต้นไม้แสดงว่าใจนี่เป็นที่รวมของความสุขความทุกข์ของความดีความชั่วทั้งหลาย <c oughs> รวมอยู่ที่ใจ ที่ผู้รู้นี่แหละ <c oughs> ท, ที่เรียกว่ามโนหรือใจมโนมณ ะ, ะใจเป็นธาตุรูปเป็นนามธรรมนจึงต้องมาฝึกฝึกธรรมะก็คือฝึกใจฝึกกายกายก็เป็นรูปประธรรมใจก็เป็นนามธรรม แต่จะทำที่สุดแห่งทุกข์ให้สิ้นสุดไปหรือทำบาปปาประทำทั้งหลายให้สิ้นสุดไปมาฝึกใจมาปฏิบัติต่อใจเอาใจเป็นต้นเหตุรูที่ต้นคือใจได้ก็สาวขึ้นมาที่ รูปที่ที่กายที่วาจารวมกายวาจาใจเรียกว่ากายกรรมวาจีกรรมมนโนกรรมกายกรรมวาจีกรรมออกมาจากมนโนกรรม คือใจเพราะฉะนั้นการฝึกปฏิบัติธรรมะการเพียรศึกษาเราเรียนให้รู้เหตุรูปผล่านเรียกว่าปริยติธรรมในธรรมะอันีปริยติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิเวทธรรม การที่เรามาได้ยินได้ฟังนี่เป็นการเล่าเรียนเป็นการศึกษาแบบแปลนแผนผังเรียกว่าปริยัติธรรมมาได้ยินได้ฟังเรื่องการปฏิบัติต่อกายทว a j าต่อใจ ว่าเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม <c oughs> ทำยังไงเมื่อเรามีสมบัติเรามีสมบัติรร ม, มีต้นต่อของธรรมะแต่ว่าคำว่าธรรม ะ, ะยังเป็นของกลางๆถ้าน้อมไปสู่ ความไม่ดีเรียกว่าอากุศลธรรมอกุศลธรรมหรือหินะหินะธรรมธรรมมันเลวอกุศลธรรมอกุศลกรรมก็ น, น้อมไปเป็นกรรมที่ไม่ดีทั้งทางกายทั้งวาจารถึธรรม คิดใจถ้าไปทางดีก็เรียกว่าเป็นกุศลรกรรมหรือเป็นกุศลธ ร, รรมเป็นกายดีวาจาดีความนึกคิดก็ดี <c oughs> นี่มันจะแยกกันไปสองทางเรียกว่าไม่มี ไม่มีที่ใดเป็นที่เกิดของธรรมเป็นที่เกิดของกรรมเหตุปัใจจัยในเบื้องต้นก็เกิดที่ใจท่านเรียกว่าเจตนาเกิดที่ใจเกิดที่จิตท่านเรียกว่าความเจตนาเกิดขึ้นที่ใจเจตนาในทางที่ไม่ดีก็เป็น อกุศลกรรมเจตนาธรรมทางกายลงไปเป็นกายกรรมเจตนาฆ่าเจตนาที่จะรักเจตนาที่จะประพฤติผิดมิจฉาจารที่ออกมาจากใจอันที่ว่าเจตนาเป็นตัวกรรม สิ่งที่ดีหรือไม่ดีมันจะบรรจุอยู่ที่ใจบรรจุอยู่ที่ใจเมือ่อบรรจุดีหรือไม่ดีบรรจุอยู่ที่ใจก็จึงเกิดเป็นอนุสัยแสดงออกมาในความเป็นนิสัยเป็นเอกลักษเป็นเอกลักษ์ทางความคิด เป็นเอกลักษ์ออกมาทางการพูดออกมาทางกิริยาของกายที่เรียกว่ากายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมคือออกมาจากใจก่อนแต่เมื่อใจไม่ได้ฝึกฝนอบรมในการสำรวมไม่รู้เรื่องกรรมดีหรือกรรมชั่ว ในรูเรื่องกุศลหรืออกุศล ส, ส่วนมากถ้ามันออกมาโดยที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมแล้วมันก็จะออกในทางที่เป็นอกุศลกรรมซะก่อนเหมือนอย่างการเกิดขึ้น ของวัตถุธาตุหรือว่าการเกิดขึ้นของธรรมชาติที่เป็นต้นไม้ใบหญ้าหรือแร่ธาตุต่างๆทึงนอกเหนือจากธาตุรู้คือใจ มันก็จะเป็นความที่เป็นสิ่งที่อยากการเกิดขึ้นเป็นแร่ธาตุจะเป็นธาตุเหล็กธาตุดีบุกธาตุทองคำธาตุเงินอย่างนี้มันมีขึ้นเบื้องต้นมันยังไม่เป็นของละเอียดมันยังผสมผสานอยู่กับ สิ่งที่ยากต้องอาศัยว่ามารอมมาหลอมมากันมากองด้วยวิธีการแห่งความฉลาดอันนี้มันก็จะเหลือแต่ธาตุบริสุทธิ์ได้นี่เรียกว่า ให้เกิดความบริสุทธิ์ได้ด้วยความฉลาดด้วยปัญญาที่รอที่ล้อมที่หาวิธีแยกของหยาบสิ่งสุกโปกออกให้มันเหลือแต่ธาตุบริสุทธิ์ของแต่ละธาตุนั้นนันนี่ลักษณะของจิตใจก็เหมือนกัน ที่เป็นธาตุรูปที่เป็นตัวเหตุตัวประธานที่เรียกว่ามโนกรรมความเจตนาของใจเมื่อมันเกิดในเบื้องต้นมันก็จะมีแต่เกตนาทากรรมที่หยาบทากรรมที่หยาบทํากรรมที่สกปรกทํากรรมที่ไม่พองใส นั่นมันจึงเกิดมีความโกรธความโรคความหลงเรานี่อาการเรานี่เรียกว่าเป็นกรรมที่ไม่พองใสเป็นกรรมที่เป็นอาสวะขุนมัวเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตใจอาการแห่งความโกรธความโรค เท่านี้ท่านก็เรียกว่าธรรมะเหมือนกันแต่มันเป็นหินาธรรมเป็นธรรมฝ่ายเลวธรรมฝ่ายเศร้าหมองนั่นแหละเมื่อมันเกิดขึ้นสัมผัสกับใจธรรมชาติใจมันเป็นความรู้เฉยหรือว่ารู้ว่างหรือว่ารู้เบิกบานอยู่โดยธรรมชาติแต่พอมีอาการแห่ง ความโรคความโกรธความหลงผิดเข้าใจผิดยึดผิดถือผิดขึ้นมันจะเปลี่ยนสภาวะนี่จึงว่าอาการเหล่านี้มันเป็นสนิมเป็นสนิมของใจเป็นเครื่องเศร้ามองของใจเพราะฉะนั้นจึงต้องมากันกองใจนี่แหละที่เนี่ย ด้วยธรรมะคือสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเนี่เพราะฉะนั้นจึงต้องได้มาปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องอบรมใจเป็นเครื่องรักษาใจพราไม่มีอย่างอื่นไม่มีอย่างอื่นที่จะทำให ใจนี่เกิดความบริสุทธิ์เป็นอมะตะเป็นตัวของตัวเองเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใจนี่ยังผสมผสานอยู่กับสิ่งเศ้าหมองคือความโรคความโกรธความหลงทิฏฐิมานะความเห็นผิด ความคิดผิดในสังคตาธรรมทั้งหลายนะยังไม่เห็นตามความเป็นจริงมีเชื่อแห่งความมืดความดำแฟงอยู่ในจิตใจนี่ที่ท่านเรียกว่าอาวิชชาอาวิชชาคือความความรู้รู้ไม่จริง ยังไม่รู้ตามความเป็นจริงยังเป็นพื้นฐานที่เป็นนามาทรรมฝังอยู่กับใจกับท่ารู้ว่า น, นี่นี่จริงแล้วยังไม่เป็นรู้ที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจึงต้องมาแยกมาคัดมากอมารองมารอมาหลอม ด้วยเครื่องกรองเครื่องรอร้อมคือธรรมะและแก่สติสมาธิและปัญญาต้องมาสร้างอุปกรณ์มาสร้างธรรมะเรานี่แหละให้เกิดมีกำลังขึ้นใน ใจคือความรู้ของเราจึงต้องมาฟังรรมะอบรมใจแล้วก็เพื่อปฏิบัติใจนี่กันกองสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายที่เรียกว่านิวร น, นิวรธรรมนิวรธรรมเครื่องกั้นเครื่องกั้นจิต สติปัญญาจะไม่ให้รู้ความจริงเห็นความจริงแล้วก็ปฏิบัติให้ลงสู่ความจริงได้ในวอนธรรมทั้งห้ากันก็บอกไว้ว่าสันทะกามสันทะพยาบาททินนมิทะวิกิกิจชาอุทจัจจกุกุจจะ กามฉันทะความพอใจความยินดีพอใจอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสผพทพะหรือสิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นนี่ท่านเรียกว่ากามฉันทะพอใจไข่อยู่กับสิ่งที่ตนปรารถนานั้น เนี่ยมันจะไม่ทำให้จิตใจแยกจากอารมณ์เครื่องรบกวนทั้งหลายลงสู่ความเป็นรู้ความรู้อันเดียวไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องกั้นเป็นอาสวะเป็นเงาดำที่คุมความรู้คือใจของเราอยู่ จึงต้องมาฝึกหัดปฏิบัติเพื่อให้เกิดกำลังของสติต่อเนื่องกันเพื่อข้ามนิวรณ์เครื่องกั้นทั้งห้าให้ได้ ข้ามความยินดีพอใจอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะความอยากเป็นอยากมีเพราะฉนั้นจึงต้องทอดทุระสิ่งเหล่านี้สร้างสติความระลึกรู้ให้เป็นคู่ของใจ เป็นคู่ของความรู้นี่ยงว่ารวมความรู้เข้ามาสู่ความรู้ไม่ทรงสายเอาไปตามรูปเสียงกินภภรสโพธิภะยงว่ารวมเข้ามาที่ใจมีสติเป็นตัวสกัดกัน้นเป็นตัวควบคุม รละลึกรูปให้สตินี่เหมือนเครื่องคอบเหมือนอย่างว่าเครื่องคอบดวงไฟถ้ามีเครื่องคอบลมพัดมาก็ไม่กระทบก็ไฟนี่ก็เหมือนกันจึงต้องสร้างสติกำหนดรูปนี่ในการปฏิบัติสมถะ ธรรมคือเบื้องต้นทำจิตใจให้รวมเข้ามาสู่ใจ <c oughs> เป็นความสงบแน่วแน่อยู่เป็นหนึ่งเฉพาะใจให้ได้ที่ท่านเรียกว่าสมาธิธรรมคือการกำหนดรู้ทำความรู้ให้รวมเข้าเป็นความตั้งมั่นในความรู้วันเดียว เดี๋ยวใจมีสมาธิไม่สายแสไปตามความนึกความคิดไม่ส่งปรุงฟุ้งไปนี่สร้างสติให้มีกำลังขึ้นมาจะเอาจุดไหนในอุบายการ ปฏิบัติสมถตธรรมกำหนดรูลมหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมหายใจเข้ารูพุทธหายใจออกรูโทนี่เป็นวิธีการเป็นวิธีการที่จะปฏิบัติเพื่อให้สติมีกำลัง ต่อเนื่องกันเพื่อจะเป็นแรงเป็นกำลังข้ามนิวรธรรมคือกามฉันทะพยาบาทกิดไประลึกอยู่ในการพยาบาทนี่ก็จะไม่ลงสู่ความสงบความเป็นหนึ่งได้ และก็ความเคริบเครืไม่มีสติต่อเนื่องกันเป็นทินมิทะความเคริบอเครื่ของใจเพราะฉะนั้นจึงต้องตั้งกำหนดสติระลึกรูกำหนดรูสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เป็นอารมณ์แห่งความรู้ความระลึกรูเห็นกำหนดรูพุทธโทธพุโทโธ ในการฝึกเพื่อให้สติต่อเนื่องเอาถากำหนดหายใจเข้ารู้พุดหายใจออกรู้โทมันไม่ต่อเนื่องกันมันขาดวักขาดตอนมันรู้ได้นิดๆหน่นนนอยๆแล้วก็หลุดไปหายไปใจนี่ก็รู้ใจตามอารมณ์อย่างอื่นไปเรื่อ ย, อยๆอันเรียกว่าสติ ไม่ต่อเนื่องการทำงานไม่ต่อเนื่องกันก็จะไม่เสร็จสมบูรณ์ไม่รวมเป็นพลังตั้งมั่นได้จึงต้องมีกำหนดจึงต้องมีสัจจะมีความจงใจเอาทำกำหนดหนายใจเข้าพุทธหายใจออกโท เฉยๆไม่ต่อเนื่องก็กำหนดตั้งสัจจะนับออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทรกาหนดรู้นับหนึ่งหายใจเข้ า, า, ขาพุทหายใจออกโทราาาออกาหนดรู้นับสองไปเรื่อยๆไม่ให้เผลอถ้ามันเผลอมันลืมบ้ตั้งใหม่ให้ต่อกันไปจนถึง ห้าสิบหกสิบจนถึงร้อยก็นับหนึ่งใหม่กำหนดไปจนถึงสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยอันนี้เป็นการฝึกให้สติต่อเนื่องถ้ามันต่อเนื่องกันไปได้ถึงพันถึงหมื่นถึงแสนเพราะฉะนั้นพวกชาวที่เบต เขาทำสมาฝึกสมาธิฝึกขันติฝึกสัจจะด้วยการกราบแล้วสมมุติวันนี้จะกราบให้ได้หมื่นครั้งโกทิเบตรกราบที่ตนศรีมหาโพธิ์ที่ตัสรุพระพุทธเจา้าเอาอยู่อย่างนั้นเนี่ยรูขึ้นกราบลงไปสติรู้ ขอยคืนมายืนขึ้นกาบลรงไปหนึ่งข้างสองข้างสามข้างเขากำหนดนับไปจนสุดท้ายมันที่แรกมันก็จะพังพังเพอเพอเอาไปเอามามนแนวแน่เป็นอัตโนมัตินี่เรียกว่าฝึกสมถะทมคือความสงบใจความตั้งมั่นของใจในอารมณ์ันเดียวให้ได้ นี่จะข้ามนิวรณ์จะตัดกระแสของความลังเลสงสัยจิตใจนี่จะไม่ได้ไปลังเลสงสัยไม่ไปคิดฟุ้งซ่านลำคาญอุทจักกุกุจจกความฟุ้งซ่านลำคาญกับอารมณ์สิ่งนั่นสิ่งนี้ก็ไม่มีนันก็จะแนวนี่เรียกว่าเมื่อจิตมีสมาธิหรือฝึกสมาธิ ด้วยการควบคุมของสติในการทำอยู่สิ่งเดียวให้แน่วแน่ก็ เ, เป็นการข้ามนิวรธรรมนี่เมื่อจิตมันมีพลังของสติสมาธิมันจะเบาจะสบายมันจะปลอดโปร่งมันจะโล่งในจิตใจของเรา ถ้าฝึกให้มันต่อเนื่องกันอยู่เรื่อยเรื่อยเรื่ย่มนไม่ให้ขาดวักขาดตอนนี่จะเป็นจะเป็นปฏิเวทธรรมจะเป็นผลผลของสมาธิทมสมาธิจิตจิตมีสมาธิเป็นฐานที่ตั้ง ก็ไม่รวนเลยไม่ฟุ่งซ่านไม่ลำคาญ hmm. จะนึกจะคิดจะทำการงานอะไรทำด้วยความมีสมาธิความตั้งมั่นจะมีความมั่นใจมั่นคงไม่รวนเลยในการงานนั้ น, น, นก็จะไม่ล้มเหลวไม่เสียหายเมื่อมี ธรรมะคือสมาธิธรรมและมีสติธรรมที่เป็นฐานในเบื้องต้นควบคุมกันใจเคยฟุ้งซ่านลำคาญเคยคิดปุ่งฝุ่งไม่มีเวลาหยุดเวลาพักผ่อนทั้งในอยาบททั้งสี่ แมแต่หลับไปไปยังฟุ้งซ่านยังเพ้อฝันไปนั่นแหละคือความคือการทำงานของจิตที่เรียกว่าอาศัยสังขารอาศัยสังขารคือความเป็นธรรมชาติเป็นกิริยาการแห่งความปรุงแต่งถ้ามันพาทำงานแหะมันไม่มีเวลาหยุด ไม่มีเวลาพักผ่อนเอ็มมาพักผ่อนด้วยสมถะธรรมด้วยสติธรรมสมถะธรรมเรียกว่าสมาธิการทำใจให้สงบเป็นพื้นฐานในเบื้องตน้นนี่ทำอยู่เรื่อยๆทาอยู่เรื่อยๆกำหนดอยู่เรื่อยๆจนให้มันเป็น ว่าสีแ่หนว่าเป็นความชำนิชํนานาญชำนิชํนานาญในทุกอิรยิยาบถการยืนเดินนัง่งนอนกินดื่มทําพูดคิดเรียกว่าชํานาญในการทํางานทั้งการเคลื่อนไหวทางกายทั้งการเคลื่อนไหวทางคําพูดทางวาจา ทั้งการเคลื่อนไหวทางความนึกคิดภายใน จ, ใจิตใจเพราะว่าการทำงานจะเป็นภายนอกก็ตามที่เราประกอบธุรกิจอาชีพการงานเนี่ยมันต้องใช้มันต้องใช้ขันทั้งห้านี่แหละใช่รูปใช่รูปใสเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ กองห้ากองขันห้าขันเนี่ยมันจะทํางานอยู่ร่วมกันนี่มันทํางานอยู่ร่วมกันแต่ถ้าหาว่าเราไม่มี <c oughs> ผู้ควบคุมในการทํางานที่ดีคือจิตไม่มีสติธรรมสมาธิธรรมเป็นเครื่องควบคุมแล้วมันจะมันจะเลยเถิด มันจะเลยเถิดมันจะเป็นการปุ่งซ่านลำคาญของจิตไปสัญญาความจำก็จจำไม่มีขอบไม่มีเขตไ ม, มขมขข ไ, ไม่มีผู้ควบคุมสังขารกับปุงไปไม่มีผู้ควบคุมไม่มีเจ้าของเนี่ยความเสวย ทางจิตใจสุขทุกข์เกิดขึ้นไม่มีผู้ควบคุมก็เลยขอบเขตไปเลยกลายเป็นไม่มีเจ้าของไม่มีทรรมเป็นขอบเขตเพราะการทำงานก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นเพราะการทำ เกิดความทุกข์ขึ้นเพราะการพูดเกิดความทุกข์ขึ้นเพราะการคิดถ้ามีธรรมเป็นเครื่องกัรกองมีธรรมเป็นเครื่องควบคุมเป็นเครื่องรักษาคือสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมความรู้ความเห็นอันชอบเรี่ยว่าปัญญา ควบคุมในการนึกนการคิดในการรู้ในการจดจำในการปรุงแต่งจะทำให้การทำงานทางส่วนธาตุขันร่างกายก็จะมีความสุขมีความสมบูรณ์ ทางสติปัญญาความนึกความคิดกิมีความสมบูรณ์มีความเสียบแหลมสำนิชำนานตามสิ่งที่ตนเองฝึกฝนอบรมในการทำงานภายนอกนี่เรามาฝึกการทำงานภายในคือทำงานด้วยธรรมะนี่แหละเพื่อควบคุม การงานภายนอกทํามอย่างนั้นจะไม่มีความสุขไม่มีความสงบกายสงบใจแล้วก็ไม่สงบจากบาปปาประธรรมด้วยสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเนี่ยจะเป็นสิ่งควบคุมกันกองให้ ความสงบจากบาปทางกายทั้งวาจาในคิดทางจิตใจนี่ให้สงบเหลีอยแต่กรรมที่ดีกรรมที่เป็นกุศลเป็นบุญเป็นความสุขจะมีประโยชน์อย่างนี้การประพฤติปฏิบัติธรรมะ การอบรมธรรมะให้เกิดขึ้นแต่ทำให้มีความสุขกายสบายใจทั้งทั้งในการทำงานอยู่กับธาตุขันธ์อาญตนะทั้งหลายนี่เพราะฉะนั้นจึงเป็น สิ่งที่สำคัญการฝึกฝนอบรมใจด้วยหลักของสมถะธรรมและวิปัสนาธรรมมีสองอย่างธรรมะสมถะธรรมการควบคุม จ, จิตใจ ด้วยสติสมาธิปัญญาหรือด้วยศีลสมาธิปัญญานี่ควบคุมให้สงบจากความเป็นบาปเป็นอกุศลทางกายทางวาจาและนึกคิดทาง จ, จิตใจควบคุมด้วยสมถะธรรม แล้วก็เจริญวิปัสนาธรรม น, นันเป็นเปัญญารวมอยู่ด้วยกันศีล ส, สมาธิก็คุมในส่วนที่ว่าทำจิตใจให้รวมเข้าเป็นหนึ่งมีกำลังแห่งความเป็นหนึ่งของใจปัญญาเนี่ยแยกแยะทำความรู้ความเห็นให้มีความเห็นตรงเห็นชอบ ตามความเป็นจริงเห็นทุกข์เป็นทุกข์เห็นสุขรู้สุขรู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้เหตุให้เกิดความสุขแล้วก็ปฏิบัติตามเหตุนั่นอันนี้เป็นส่วนของปัญญาเรียว่าปัญญาสมา ธ, ธิอันนี้เป็นวิปัสนาธรรม ฝึกฝนอบรมควบคู่กันไปแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์ควบคู่กันไปทำความสว่างทำความรู้ความเห็นในสัจธรรมนับตั้งแต่เบื้องต้นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแปรปวนไป เห็นทีละนิดทีละหน่อยเข้าใจทีละนิดทีละหน่อยมันก็จะปลดเปลืองความทุกโศกความวุ่นวี่วุ่ น, ว, นวายในใจิตใจให้สงบไปเรื่อยเรื่อยจนเมื่อรู้เข้าใจแกมแจ้งในธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะคือแกมแจ้งในเรื่องของกายของใจเรื่องของรูป ของนามอย่างของรูปหรือรูปร่างกายของเรานี่แหละรูปร่างกายของเราเ ป, ประกอบอยู่ด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมส่วนใจเนะเป็นนามประกอบอยู่ด้วยสัญญาสังขารสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาอันนี้สัมผัสอยู่กับใจ ใจเป็นผู้รู้ผู้สัมผัสนี่เมื่อเข้าใจทั้งรูปทั้งนามเข้าใจทั้งเรื่องของกายของใจแหละใจมันก็วางความรู้นี่มันรู้จริงเห็นจริงแล้วมันไม่มีความสงสัยนะถ้ารู้ยังไม่จริงมันสงสัยนี่สงสัยมันก็ยึดมันก็ถือ สัมประยุทธ์ท่านเหรอยึดมันถือเป็นอุปทานยึดถือถ้าเข้าใจความจริงหมดสงสัยหายสงสัยในจิตใจแล้วมันไม่ยึดไม่ถืออะไรทั้งนั้นแะแต่เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสภาวะของแต่ละสิ่งแต่ละอันนี่เรียกว่าเข้าใจเรื่องของกาย ของธาตุดินน้ำไฟลมอาการสาสบสองผมคนเนีฟันหนังเหนื่อในธาตุดินย0สบธาตุน้ำส2บสองรู้เข้าใจส่วนเรานี้มันเป็นส่วนที่มาผสมผสานกันรวมกันจึงเป็นกองรูปอะการจดจำได้ไม้รู้เป็นสัญญา ความนึกคิดปรุงแต่งดีชั่วสุขทุกข์ก็เป็นสังขารเนี่ยอาการของแต่ละอย่างละอย่างมันจะสัมผัสสัมพันธ์กั น, นเกื่นความสเสวยว่าสบายไม่สบายเฉยเฉยเวทนาใจนี่ทางใจนี่แหละเป็นสิ่งสาคัญ เวทานาที่เราสัมผัสเพราะความเจ็บปวดทางร่างกายเป็นบาดเป็นแผลนัง่งนานปวดหลังปวดเอวมันเปลี่ยนไปแล้วมันก็หายไปเกิดแล้วมันก็ดับไปแต่ถ้าเรื่องของใจเนี่ยเรเข้าใจความจริงไม่มีเวทานาความเสเวยสัมปยุตหลงอยู่กับความพอใจไม่พอใจทางใจล่ะ มันก็สิ้นสุดกันเข้าใจความจริงของเวทนาก็ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเข้าใจในสัญญาก็เป็นเพียงอาการจดจำได้ไม้รู้ไม่ไปเป็นทุกข์เพราะความจำมันจะเสื่อมหรือไม่เสื่อมจำได้หรือไม่ได้ ก็มไม่ไปเป็นทุกข์ถ้าไม่เข้าใจแหละจําไม่ได้ก็เป็นทุกข์ความจำเสื่อมก็เป็นทุกข์นี่เป็นอย่างนั้น <c oughs> นี่เรื่องธรรมะคือปัญญาเข้าใจความจริงเนี่ยมันจะหมดความสงสยัยความลังเลสงสัยไม่มี ไม่มีความลงเลสัลงเลสงสัยมันก็ไม่มีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเก่งว่ามันปลอดปอโปรง่งวางเหลือแต่ความรู้เป็นความรู้เฉพาะตัวด้วยอำนาจแห่งปัญญาปัญญาธรรมเพราะฉะนั้น ในวันนี้ได้พูดถึงเรื่องของธรรมะคือกายกับใจธรรมะคือกายกับใจธรรมะที่เป็นเครื่องแก้ความรุ่มหลงที่เป็นเหตุให้ยึดมั่นถือมัน่น และให้เกิดเป็นความทุกข์สัมผัสกับจิตใจก็เพราะมันมีความหลงมีความสงสัยมันยังเกิดความยึดมั่นถือมันม่นมันรู้ความจริงแล้วอันก็ปล่อยวางปล่อยเองวางเอง <c oughs> นั่นเป็นปฏิเวทธรรมเป็นผล เป็นผลจากสติสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรธรรมะธรรมะก็คือใจ <c oughs> และสภาวะต่างๆเกิดขึ้นที่ใจ <c oughs> <c oughs> ส่วนที่เป็นพินธธรรมเป็น ทุกขสัตยธรรมะคือทุกขสัตยอ ร, ริยะความจริงของพระเยซเจ้าคือความทุกข์เ็เกิดที่ใจสัมผัสอยู่ที่ใจจึงรวมภายนอกรวมเข้าสู่ภายในคือใจรวมธรรมะคือรู ป, ปรธรรมก็มีใจเป็น ฐานมีใจเป็นมหาเหตุเป็นที่ตั้งนี่เพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเครื่องนำออกจากทุกนำออกจากความทุกโศกโลกภัยทั้งหลาย อำนาจของการฝึกหัดปฏิบัติต่อกายวาจาใจด้วยสติสมาธิและปัญญานี่ไม่ได้ไม่หนีจากที่นี่แหละเพราะธรรมะก็มีเท่านั้นนี่กายกับใจ อาการที่เกิดมีขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งที่จะมากั่นกองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เป็นความบริสุทธิ์แต่ละอย่างละอย่างก็ในแก่สติสมาธิและปัญญาซึ่งเป็นอาการเกิดขึ้นที่ใจ มีเท่านี้เมื่อมีเท่านี้แหละเป็นสมบัติเป็นสมบัติธรรมที่จะประครับประคองหรือที่จะเป็นกำลังเป็นกำลังหนุนนำให้เรามีความสุข ทั้งขณะที่มีกายกับใจอาศัยกันอยู่เื่อที่จะทำการงานเพื่อเป็นเครื่องอาศัยปัจจัยสี่ระหว่างกายกับใจอาศัยกันอยู่ต้องมีการมีงานต่างๆที่เราทำรับผิดชอบ ก็ต้องอาศัยสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมนี่แหละเป็นเครื่องรักษาเป็นเครื่องควบคุมนี่ในส่วนหยาบละเอียดเข้าไปเป็นเรื่องของจิตของใจความรู้ความนึกความคิดความรู้ความเห็นก็อาศัย สติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมสมถะธรรมวิปัสนาธรรมรวมเข้ามาเป็นเ ร, เรื่องของมรรคเรื่องของมรรคขสัตตมรรคมีองแปดมรรคมีองแปดรวม อาการแปดอย่างนั้นเข้ามาแยกเป็นอาการสามเรียกว่ารวมแปดเข้ามาแยกออกเป็นสามละเอศีลสมาธิปัญญารวมสามเข้ามา รวมสามลงมาเป็นกายกับใจรวมกายกับใจเข้าไปเป็นวิสุทธิจิตวิสุทธิธรรมทาเป็นใจใจเป็นธรรมจึงเป็นเอโกธรรมโม มีความบริสุทธิ์ความเป็นธรรมอันเดียวนีว่าวิสุทธิธรรมวิสุทธิจิตเนี่ยจากอาการแปดรวมเข้ามาอาการสามลินสมาธิปัญญารวมลงมาสองกายกับใจรวมเข้ามาใจอันเดียวใจบริสุทธิ์หมดจด ไม่มีที่มืดไม่มีอวิชาเครื่องห่อห้มเป็นความลุ่มหลงเห็นชอบเห็นตรงตามความเป็นจริงทั้งหมดวางว่างเฉพาะใจอันนี้เลยวาถ้าเป็นเราถลุงแร่ถลุงแร่หรือลอรอมแร่ก็ไล่อะไรออกไปหมดเ แยกส่วนต่างๆออกไปก็เหลือแต่ความบริสุทธิ์ของแลาดธาตุนั่นนั่นนี่ก็เหมือนกันเหลือแต่ความบริสุทธิ์ของธาตุใจหรือธาตุรู้นี่ก็หมดเหตุหมดปัจจัยเียว่าตัดกรรมสรูปและวิบากขันสิ้นสุดลงด้วยการปฏิบัติสติธรรมสมาธิธรรม ปัญญาธรรมพอใจมีสัจจะความจริงใจมีขันติความอดทนมีธรรมะความข่มใจมีสติรละลึกรอบรู้ที่ใจมีปัญญาเจตนารอบรู้ที่ใจนี่จะได้ซื้อว่าเป็นผู้มีธรรมเป็นผู้ไม่ประมาท ถ้าประมาทก็ปล่อยจิตปล่อยใจให้มันคิดปุงฟุ่งวุ่นไวายไปตามเรื่องราวไม่รู้กายรู้ใจอยู่ด้วยความไม่รู้อยู่ด้วยโมหะที่ความไม่รู้กายก็ไม่รู้วาจาก็ไม่รู้จิตใจที่รู้สึกนึกคิดอยู่ก็ไม่รู้ปล่อยไปตามคลื่นของ ถ้าภาวะธรรมฝ่ายที่เป็นหินธรรมจะกระทบกระทั่งหมูนไปที่ว่าไม่ได้ฝึกหัดปฏิบัติไม่ได้กันกองไม่ได้รอร้องก็จะไม่พบความสุขอันแท้จริงไม่พบสัจธรรมอันแท้จริงได้ผู้ไม่ประมาทตั้งอยู่ในการเจริญ สติสมาธิปัญญารู้กายรู้ใจไม่ประมาทไม่คลั่งเผลอก็จะรู้ความจริงแห่งสัจธรรมได้จะเป็นผู้ได้ธรรมะเป็นที่พึ่งมีสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรม เป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งของใจของผู้รู้นี่แหละสิ่งเหล่านี้กันกองสิ่งที่ปัญหาสวะแยกออกไปเข้าใจความจริงแต่ละสิ่งแต่ละอย่างตามเป็นจริงแหละมันก็หมด <c oughs> หมดหน้าที่หมดหน้าที่หมดความลุ่มความหลงหมดอุปทานความครอบประยุทธ์ตัวถือตน แค่ว่าอยู่เหนือเหตุเหนือผลไม่หลงในเหตุในผลไม่หลงในบาปในบุญคือไม่หลงกายหลงใจนี่นง่ายๆแยกกันออกด้วยปัญญาชอบเราะฉะนั้น ในเมื่อเราฝึกหัดปฏิบัติยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ก็ให้มีความเพียรมีศรัทธาเชื่อมั่นในความดีทั้งหลายเชื่อมั่นในเหตุในผลทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำบุญเป็นบุญทำบาปเป็นบาป บุญมีบาปมีสุขมีทุกมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีการทำความบริสุทธิ์หมดจดในที่สุดมีได้เป็นได้มีศรัทธาเชื่อมั่นแล้วก็ตั้งความเพียรประพฤติปฏิบัติไม่ท้อถอยในที่สุดก็จะประสบพบ ธรรมะอันแท้จริงพบความสุขอันแท้จริงนี่ดังได้นำธรรมะมาจีแจงแสดง <c oughs> พอเป็นเครื่องอบรมจิตใจก็เห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาในสิเทในที่สุดแห่งการ อธิบายธรรมะนี่ ธ, ธรรมะภาพขออธิษฐานจิตอธิษฐานใจต่อบุญบา ร, รมีบา ร, รมีธรรมของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยความตั้งใจไว้ชอบในการ กระทำบาเพ็ญกายวาจาใจของตนให้เป็นไปโดยชอบประกอบตามหนทางที่จะให้เกิดความสุขอันแท้จริงถึงที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบด้วยบุญกุศลคุณงามความดีทั้งหลายทั้งที่กล่าวมาจงรวมเป็นพร ะ, ระเป็นกำลัง หนุนนำดวงจิตดวงใจของพวกเราเราท่านทั้งหลายให้มีความเจริญมีความเข้มแข็งมีศรัทธาเชื่อมั่นมีความเพียรพยายามมีขันติความอดทนอดกัน้นต่อการประพฤติปฏิบัติ ความดีอย่างที่กล่าวมานี่ให้มีกำลังแห่งธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปและให้ประสบผลสำเร็จในธรรมถึงพร้อมด้วยศีลธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมสติสมาธิปัญญา และประสบความสุขกายสบายใจประสบผลสำเร็จในธุรกิจการงานตามสมมุติโลกและให้สำเร็จกิจอันชอบด้วยการเจริญ ศีล ส, สมาธิปัญญาเข้าถึงที่สุดวิมุตติปนิพานพ้นทุกในวัตฏะสงสารตามความมุงมาดปราธนาจงทุกท่านทุกคนเถิด <c oughs>